คำถามในเพจที่ได้ถามมาก็ไลฟ์คำถามูเหมือนกันการถามคำถามก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้มีการอธิบายสามารถแลวก็ตอบแต่ด้มีการไลฟ์ถ่ายทอออกไปพูดถาม ใช้ชื่อว่านาราชินปินถามว่าตักบาตรกับพระเราคิดในใจว่าเราทําบุญทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําบุญทาทานกับพระประัจเจกพรพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ผู้ฤึ้ดีปฏิบัติชอบคิดแบบนี้ได้ไหมครับคิดได้ไม่ดีกระแสบุญก็จะเกิดขึ้นมากตามกระแสแห่งความคิด แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทานเป็นสังฆทานได้บุญมากกว่าคิดจอะจงให้กับพระพุทธเจ้าคิดจอะจงให้กับปัจเจกพระพุทธเจ้าคิดจอดจงให้กับพระอริยสงฆ์เจ้าคิดเป็นสังฆทานทานเพื่อสงทานแด่สงพระพุทธเจ้าบอกว่าการให้ทานแด่สงทานเพื่อสงหรือให้ทานในสงได้ชื่อว่าเป็นการบูชาพระธรรมด้วย ได้ชื่อว่าเป็นการบูชาทำที่ตถาคตได้ทรงสั่งสอนด้วยได้ชื่อว่าเป็นผู้บูชาสงด้วยได้ได้บูชา3ามอย่างคือให้สังฆา น, นี้มีผลอย่างนั้นแลก็มีผลมากมัได้สูงมากดีกว่าคิดเจาะจงว่าทําบุญต่างปาดถวายกับพระพุทธเจ้ารับกระเจงกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าอรียสงฆ์เจ้า ให้คิดว่าทานนี้แด่สงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่รับทานนั่นคือภิกษุสงฆ์จะเป็นสงสาวกหรือไม่ใช่สงสาวกก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรแต่กระแสแห่งความคิดที่เราทรงไว้ในจิตว่าทานนี้เพื่อสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่และจะมีผลมากมีอริสงมากถามว่าบริจาคเลือด บริจาคอวัยวะบริจาครบริจ า, ราคร่างกายสละชีวิตเพื่อคนอื่นสละชีวิตเพื่อธรรมะมีความแตกต่างกันอย่างใดทุกครับเจ้าเดิมก็คือนาราชินตินที่มนงนี้การบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะบริจ า, ราคร่างกายสละชีวิตเพื่อคนอื่นมีความแตกต่างกับการสละชีวิตเพื่อธรรมะมากมากเลยนะมากคนละั้วกันเลย การสลัชีวิตบริจอาคอาวัยวะบริจาคเลือดเป็นการบริจาคหรือสละเพื่ออะไรเพื่อคนอื่นแต่ก็เป็นความดีในชั้นของเป็นชั้นความความดีในชั้นของการอยู่เพราะสภาพของกายแม้สลักเพื่อชีวิตคนอื่นก็พเพื่อการ คือให้คนอื่นเขาได้อยู่ดีมีสุขหรือพ้นจากอันตรายพ้นจากไัยจากยืนในส่วนของกลางก็เป็นความดีแต่เป็นความดีในส่วนของกลางแต่สละชีวิตเพื่อธรรมะธรรมะไม่ใช่การธรรมะเป็นความสง บ, บเย็นเป็นความสบายคุณได้ไงว่าตายเพื่อคนอื่นกับตายเพื่อธรรมเนี่ยตายเพื่อคนอื่นอาจจะได้ดีบ้างในส่วนหนึ่งแต่ตายเพื่อธรรมเห็นไปเพื่อความสบบงบเย็นร่มเย็นได้บุญได้ความดีมากกว่า แต่อันนี้สูงมากกว่าได้สิ่งที่เป็นความดีสูงสุดเพราะธรรมะมีค่าสูงสุดกว่าชีวิตชีวิตเราไม่ได้มีคุณค่าจะมีคุณค่าก็แค่สืบต่ออายุกันไปจนถึงวาระสุดท้ายเท่านั้นเองเกิดก่อนก็ตายก่อนเกิดที่หลังก็ตายที่หลังหรือเกิดที่หลังตายก่อนคนที่เกิดก่อนก็มีก็มีเยอะแยะคนที่จะตายนักสละชีวิต เออวัสอวยวะสละร่างกายสละเลือดสละอะไรก็ตามให้กับคนอื่นที่อยู่ต่อ น, นั้นได้ใช้ก็ เ, เป็นความดีแต่เป็นความดีในชั้นของการอย่างเงี้ยแต่พูดถึงคุณค่าชีวิตเราไม่ได้มีคุณค่าเพราะชีวิตนั้นจะต้องแก่เจ็บและตายไม่มีคุณค่ามากมายไปกว่านี้เราจะเอาดีเอาเด่นกับกาไปยิ่งกว่าความแก่ความเจ็บความตายเอาไม่ได้เพราะร่างกายเป็นที่บรรจุไว้ซึ่งความแก่ความเจ็บความตาย เราผู้เป็นชาวพุทธหากไม่รู้จักและไม่เข้าใจความแก่ความเจ็บความตายในกายนี้ถือว่าเป็นผู้ห่างไกลศาสนาห่างไกลจากคําสอนห่างไกลจากพระพุทธเจ้าห่างไกลจากพระดิศสูงเจ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะห่วงแหนแต่การสละดีแน่นอนมีบุญไหมมีบุญได้บุญไหมได้บุญแต่สละชีวิตเพื่อธรรมนั้นได้คุณงามความดีคุณกุศล ส, สูงสุดยิ่งกว่าเพราะธรรมะคือสิ่งที่สร้างค่าให้กับมนุษย์มนุษย์ถ้าไม่มีธรรมะ ก็ไม่มีคุณค่าอะไรและที่เราสามารถสลับชีวิตและอวัยวะแก่ปรอโยชนได้ก็เพราะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องคร่ำสอนให้เรารู้จักเสียสลับอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นธรรมะจึงมีคุณค่าการสลับชีวิตเพื่อธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะธรรมะไม่มีกิเลสอยู่ในนั้นแต่คนเรามันยังมีกิเลสจัดอยูชั้นของกางสื่อต่อชีวิตก็คือสื่อต่อกลางก็ดีไม่ใช่ความไม่ดีนะดีดีอยู่แต่พูดถึงความแตกต่างกัน ทนะ ร, รมาจะดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเข้าใจนะ ม, มีใครตอบตอบไม่ได้พูดผ่านอันี้เดี๋ถ้าขันมะาทางนี้ทางนี้้าใจอยู่น ล, ลาชินตินอีกนี่แหละถามว่าบวชใจมีแนวปฏิบัติอย่างไรบวชกายมีแนวปฏิบัติอย่างไรครับ บวชใจไม่ดีในทางพุทธศาสนาเป็นความที่พูดกันเราเองมันไม่มีจะเอาไปใช้ว่าบวชใจกันในลักษณะไหนก็แล้วแต่คนจะใช้แต่ให้เข้าใจว่าในทางพุทธศาสนาไม่มีคําว่าบวชใจไม่มีเด็ดขาดบวชกายานี้คือการถือเพศแห่งการเป็นผู้บวชเป็นนักบวชการถือเพศแห่งความเป็นนักบวชตามหลักพุทธศาสนา คือบวชเป็นสามเณรเป็นภิกษุและเป็นภิกษุณีนี่คือการบวชในทางพระพุทธศาสนาแต่การบวชต่ำกว่าสามเณรลงไปไม่มีในทาพระพุทธศาสนาเช่นบวชเป็นแม่ชีบวชเป็นพราหมณ์ไม่มีในท า, พ, ษษานนนนพระพษษุทธศาสนาพระเจ้าไม่เคยบัญญัติการบวชชีไว้ไม่เคยอนุญาตการบวชชีไว้ไม่เคยอนุญาตการบวชอะไรบวช แก่พ่อสลตกกรรมอะไรกันสิ้าวันเกีย่ยนวันตามขอดูทักไม่มีหรอที่บวชกันทวันนี่ขอให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนวิธีการเหล่า น, นั้นไหมที่วงทรงสั่งสอนไหมคือสั่งสอนวิธีการบวชแบบสามะนินสามเนลีภิกษุภิกษุณีเนี่ยคือที่วงทรงสั่งสอนแล้ววางแบบปฏิบัติตไว้ที่บวชอย่างนี้คือการถือเทปบวชใจก็ไม่มี มิตรวัดกายให้ทาพูชศาสนานะให้เข้าใจอยูน่นะอยกให้ออกนะชาวพุทธเราถ้าแยากไม่ออกก็ปนกันมั่วแล้วทุกวันี้ก็ปกนกันจนแย ก, กออกอย่างว่าอะไรเนี่ยบวชกันไปพั่วกันเลยบวชแล้วพุทธเถือมีจัดงานบวชชีพามบวชแม่ชีบวชอะไรก็ตามแม่ชีที่ปนผมบวชเพราะถือว่าเป็นสมณะแล้วเป็นนักบวชแล้วพุยจะถือนถือศีลสิบแต่ก็ถือไม่ได้ผิด ถ้าจะถือศีลสิบในขณะที่เป็นแมชีต้องไปอยู่ความเป็นพิษูนีนุ่นเตรียมจะเป็นพิษุนีนุ่นนะสำเนลีผู้ที่เตรียมจะไปเป็นพิสุนีอย่างนั้นพิพงศ์ทรงอนุญาตไว้แต่บวชเป็นแมชีคนหรือล้นอาจจะบวชได้โดยการอธิษฐานเพศเป็นนักบวชเป็นสมณะถือศีลแปแต่อธิษฐานเพศเป็นนักบวชไม่อยู่ในแบบวิธีพิพงศ์อนุญาตไว้คือถือศีลสิก็จริง แต่ถือเพศในหลักที่วงทรงกล่าวไว้ในสัพพุริสัพัญญัสามประการหนึ่งคือทานสองหนึ่งทานสองอะไรวะสองถือบวชประมาณนี้นะผมขอพอไปอีกทีพูดคือความเคยชินตามภาษาของบนนะให้ทานรักษาศีลถือบวชเออ ปปชาถือบวชเพื่อเป็นอุบายเป็นจากความเปลี่ยนแปลนอย่างนี้อธิัฐานเทศถือบวชได้แต่ถ้าจะบวชให้ถูกต้องตามหลักมีแค่บวชสามเณรสามเณรีอิษุพิสุณีเท่านั้นเท่านั้นไม่มีการบวชในทางพุทธศาสนานะถามยีนาราชินปิน ถามว่าเวลาเจอเงินตกบนถนนไม่รู้ใครเป็นเจ้าของควรทําอย่างไรไม่ให้ผิดศีลธรรมเราต้องดูศีลก่อนในข้อความที่จะเป็นความผิดได้ว่าศีลที่จะเป็นความผิดได้ในการลักขโมยหรือเปล่าหรือหยิบเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เราก็ต้องดูว่าเงินที่ตกอยู่บนถนนนั้นเราเห็นขนาดที่มันหล่นออกจาก เจ้าซักหรือเปล่าถ้าไม่เห็นนะเห็นตอนที่มันหล่นแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครแล้วก็นำไปให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบทางบ้านเมืองอ่ะที่เขารับผิดชอบในการประกาศหาตัวผู้เป็นเจ้าของเงินคือแสดงแสดงความบริสุทธิ์ใจที่จะไม่ขโมยบ่อนจนกว่าที่เขาจะไม่สามารถหาตัวได้ ก็อยู่ที่เขาจะพิจารณาว่าทรัพย์นั้นจะตกเป็นของใครแล้วแต่าทางบ้านเมืองเขาจะที่จะรณฐาว่าจะตกเป็นของใครยังไงก็ตามไม่ควรจะถือเอาทรัพย์นั้นไว้เป็นของตนเองจะเจอตัวคนหรือไม่เจอตัวคนก็ตามเพราะทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้เรามีอาบัติครั้งหนึ่งที่นายวิสาขาลืมเครื่องประดับมหาราชาไว้ยอยู่ที่อารามพระอนุกูก็เลยไปเก็บไว้แต่เก็บไว้ด้วยความาคิดอยู่ว่า จะเอาคืนเงนี้ยรู้ว่าเป็นของนาวิสาขาจะเก็บไว้เอาคืนพอนาวิสาขารู้ว่าพระอานล์เป็นผู้เก็บทรัพย์ของตัวเองได้และจะเอามาคืนนาวิสาขาเลยบอกว่าเครื่องประดับอันพระคุณเจ้าของเราแต่ต้องแล้วไม่ควรที่เราจะรับเอามาเป็นของตนเองอีกควรจะถวายแก่ท่านเสียจึงมาประกาศสละของอเครื่องประดับนั้นให้กับพระอานล์ พรานรนก็เลยกลาวตัวของพระพุทธเจ้าว่าภิกษุสามารถรับเครื่องประดับนี้ได้ไหมพี่เท่า้าพระเจ้าบอกรับไม่ได้พระนรนก็เลยมาบอกนางวิสาขาบอกรับไม่ได้นางวิสาขาก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะจําหน่ายเครื่องประดับนี้เพื่อสร้างอารามหรือสร้างสิ่งก่อสร้างภายในอารามพระเจ้าบอกว่าได้นางวิสาขาก็เลยเอาเครื่องประดับนี้ไปเล่ขายเพราะคือไม่อยากได้ได้คืนเป็นของตัวเองอีกแล้ว เพราะว่าทิพภะไดจับแล้วนะไม่อยากจะได้คืนแล้วหมายว่ากรรมสิทธิ์ตกไปเป็นของพระแล้วก็เลยจะเอาเครื่องประดับเนี่ยมหาลดาเนี่ยซึ่งมีค่าอยู่เก้าโกรดโกรดหนึ่งก็อสิบล้านเก้าโกรดเป็นเท่าไหร่โกรหนึ่งสิบล้านเก้าสิบเก้าสิบล้านใครจะซื้อละเก้าสิบล้านก็ไปขาย พ, พวกมีใครมีเงินซื้อในเมืองนั้นปรากฏว่านักวิชากาซื้อเอง ซื้อเองแล้วก็เอาเงินมันไปสั้นอารามประมาณนี้เนี่ทีนี้คุยว่าจึงบัญญัติได้ว่าหากมีของตกหลน่นไม่มีเจ้าของหากตกหล่นในที่อยู่ของพี่สุพี่สุควรจะเก็บทรัพย์นั้นไว้ขอนั้นไว้ด้วยหมายว่าของผู้ใดผู้นั้นจะได้เอาคืนไปก็เก็บไว้เพื่อที่เขาจะเอาคืนไปทรัพย์นั้นหากเก็บไว้สิปียี่สิปีไม่มีเจ้าของมาเอาคืนก็เก็บไว้เพื่อให้เจ้าของเอามาคืน ตั้งใจไว้อย่างนั้นเพื่อเจ้าของเอามาคืนหาเก็บไว้แล้วก็ไม่มีใครเอามาคืนไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาสแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือไม่มีใครมาคนหาทรัพย์ที่สูญหายไปก็สามารถจําไหน่ทรัพย์นั้นเพื่อสาติกรรมถือเพื่อการก่อสร้างบางอย่างได้คือเรื่องวันนี้แต่การที่เห็นเงินตกอยู่บนถนนไม่ทราบใครเป็เจ้าของเก็บไว้ได้ด้วยใจมุ่งหมายว่าของผู้ใดผู้นั้นจะได้มาเอาไปก็ลงประกาศแจ้งลงไปทางอา ide, อนไลน์ทุกวันนี้มันแจ้งกันไม่ได้ของใครโดน่ไหน แต่ก็ต้องดูให้ดีนะมีผู้เสนอนตัวปเป็นเจ้าของทรัพย์ก็มา่นซึ่งแท้จริงกันยังไงตัวสอบเองแต่ทางที่ดีอย่ามีใจที่จะยึดถือเอาของสิ่งนั้นมาเป็นของตนแต่เก็บไว้ด้วยใจหมายว่าของผู้ใดผู้นั้นจะได้เอาไปเก็บไว้สิปียีสปีไม่มีใครมาเอาก็ค่อยว่ากันที่นะพอว่าผมไม่มีเจ้าของแล้วแหลนะปีหนึ่งคงจะ ม, มีเจ้าของแล้วนะกนะใช้ใช้ไปได้ผมไม่เป็นอะไร คงจัดนะเพราะว่าหลักของศีลที่ว่าจะเป็นผิดหรือเป็นบาปเป็นโทษจริงๆนั้นก็คือหนึ่งทรัพย์นั้นมีเจ้าของและทรัพย์นั้นเจ้าของของแหนสามมีจิดพีจะรับหรือมีจิดที่จะขโมยสี่พยายามขโมยห้าได้ของนั้นมาได้เป็นของตนเองคือสําเร็จขโมยแล้วสำเร็จนั่นถึงจะผิดหรือมีโทษตั้งใจจะขโมยแต่ขโมยไม่สําเร็จ ก็ไม่มีโทษคือศีลไม่ขาดแต่บาปมีเล็กน้อยไม่ได้มากแต่ถ้าสำเร็จเมื่อไรก็คือมีโทษทานด้านสีขาบทให้เข้าใจอย่างนั้นมันจะเป็นมัดในวันนี้นาลาชินปินโอ้ถามเยอกจนะัง <c oughs> ดีแล้วแหละถามมาคนอื่นก็จะได้เข้าใจ้ในในฟังคำอธิบายอาทีพที่พระเจ้าไม่อนุญาต มิสหายที่ดีกับมิสหายที่ไม่ดีมีอะไรบ้างอันนี้มันมีอยู่ในแบบแล้วนะเนี่ยอาชีพที่พี่ยองไม่อนุญาตมีอะไรบ้างท้าขายยาพิษท้าขายสตอาวุธ้าขายสัตว์ที่จะนำไปฆ่าอะรฮะขามข้ามรุธเอาไปแล้วขาอะไรสุลัยาพิษ เป็นน่าจะรวมอยู่ด้วยกันหรือแยกข้อกันสุราจากยาพิษ <Yeah. S 1> แยกนะแยกข้อกันเหร อ, อสุราของมึนเมาอ่ะอะไรอีกยังไม่ครบห้า mm hmm. อาชีพค mm hmm. ้าขายยาพิษค้าขายอาวุธสัตร์อาวุธที่จะนําไปสู่การฆ่าค้าข า, ายสัตว์ที่นําไปสู่การฆ่าค้าข า, ายสุราเป็นของเสพมึนเมา ้าขายมนุษย์อ่าห้าครบนล้วเนอันนี้ห้าแล้วที่ขายกันอยู่ขายตัวเองชื่อว่าขายมนุษย์ไหมอพ่อแม่ขายลูกให้คนอื่นเนี่ยคือขายมนุษย์ใช่ไหมใช่ไหมขายลูกให้คนอื่นนะเอาไปเป็นลูกขายมนุษย์มันเป็นิรแต่เขาไม่ได้ทำเป็นการค้า แต่ขายขายเกิดํำเป็นผิดไหมมันมนายา่าแลูกฆ่าอะไรนนประมาณนั้นเออประมาณนั้นถ้าไม่ยอมก็มน่าผิดนะเอ๊จะยอมอยู่เลยลูกยอมเพราะวิกฤตใช่ไหมแต่ถ้าลูกไม่ยอมมันก็ยาิดมันไมีกฎหมายมีบางคนอาชีพบางอาชีพที่เขายอมให้ขายยอมให้ขา ย, ยให้ใ น, หนั้นแะก็ไม่ผิดอะไร มันไม่ได้เกี่ยวกับศีลธรรมเกี่ยวกับอาชีพที่กผิดในหลักของอ่าผู้นักขู่พระลักษณ์ตะใหลักของชาวพุทธฮนะแม้แต่ยอมตัวเองขายจริงๆก็คือขายใช่ไหมอ๋อมันก็คือการยก็การขา ย, ขา ย, ข, ายขายมนุษย์อ่ะการขายตัวเองผิดไหมอ๋อได้มันต้องมีความผิดอยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละ มันจะว่าปลูกไปก็ไม่ได้ ม, มีดตก็ไม่มากนะแต่หมายถึงว่ายึดเป็นอาชีพคือจับคนมาดูมากมาขายอาเงี้ยนะอันนั้นหลักดแน่นอนแล้วับบคือศาสนามิตรสหายที่ดีกับมิตสหายที่ไม่ดีโอ้มมีหลายข้อนะจำมาอาธิบายได้ไม่หมดอนะ่ะมันจะมีมิตรปอลอกลอกมิตร ม, มีดที่ไม่ดี้วมีดปอกรอกมี ด, ด, ม, ดมีดที่ชักปวนก็ไมาไทางชิ้หายมีรเทียมอ่ะนะมันมีมีแทลมีเทียมอ่ะนะมันนีอยู่ในแบบอยู่นะว่ากามีหรือเปล่าเอามาอ่านทางเพียรนี่ให้ให้ทางนี้เข้าปากหรือเมีอยู่ นะทําไม่มีก็ขอติดได้ก่อนคำตอบไม่พร้อมมันมีในแบบอยู่ในนวัตโคว่านะใครอยากนควาก็พนว้าดูในนวัตโคว่าเครื่องมือมันถึงกันอยู่ทุกวันนี้าหาดูในนี้ก็ได้เอามาตอบให้ดูกันสด พอสีอ่ทีออ่ตอนมีอยู่หกข้อจังไกตอบแล้วแล้วถามต่อมาอีกว่าการบอก บ, บุญแบ่งบุญอุทิศบุญแห่เมตตามีความแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันอยู่เหมือนกันบอกบุญคือชักชวนบุญแนะนําบุญให้แก่คนอื่นคือบอกบุญว่าเราจะทาบุญถวายทานแก่พิชุสง เราจะทำบุญอุทิศบุส่วนเราจะทาบุญเป็นบุญในส่วนบ่งคลให้กับบ้านเรือนขึ้นบ้านใหม่อะไรนี้คือบอกบุญให้กับคนอื่นมานร่วมทำบุญพุทธเจ้าบอกว่าจะได้อานิสงส์ว่าเกิดในที่ไห น, น, นก็ตามก็จะมีบริวารไม่ได้เป็นอยู่เกิดอยู่ในเป็นเป็นผู้โดดเดี่ยวเพื่อนไม่พบหาอะไรอนี้ การบอกบุญจะมีบริวารคือมเข้ามาร่วมบุญกับเราคือจะมีบริวารได้มีการอยู่ร่วมกันเนี่ยแบ่งบุญหมายถึงว่าเราไปทําบุญที่ใดที่หนึ่งมาแล้วทําแล้วปั๊บเรามาแบ่งบุญคือบอกกับอีกคนหนึ่งว่าเราไปทําบุญมาแล้วเราขอแบ่งบุญให้ท่านขอท่านจงรับเอาบุญที่เราไปทํามานี้แล้วคนที่รับคนที่เราบอกกับเขาไปเนะ่ยเขาบอกสาธุขอยินดีอนุโมทนาด้วย คือการแบ่งบุญให้เขาอนุโมทนานั้นจากลำบุญจากเราคือการแบ่งบุญให้เขาได้อานุโมทนาเริ่มแบ่งบุญอุทิตบุญอุทิตอุทิตสอุทิตบุญมาจากคำว่าอุทิตสักแปลว่าเจาะจงบุญหมายถึงว่าเราทําบุญในแต่ละครั้งเราจะเอาบุญนี้ยกให้ใครคือเจาะจงให้ใครเช่นทําบุญอุทิตให้แก่ญาติผู้ที่ตายไปก็ต้องเจาะจงไปถึงญาติที่ตายไประบุชื่อนามสกุล จะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคือระบุ ต, ตรงๆไปเลยเรียกว่าปู่พิษจาะกจงไปให้โดยการถวายอานและอุทิศคือคิดไปหืนอย่างเงี้ยแทนเมตตาแทนเมตตาไม่ใช่บุญเมตตาเป็นามาจากคําว่ามิตรต่อ ว, ว่าความเป็นมิตรแพนความเป็นมิตรแทนไม่ตีจิตแทนความาความดีงานภายในใจเปถึ ง, งแก่คนอื่นอันเดียวี่คือความแ ต, ตกต่างกัน บอกบุญแบ่งบุญอุทิศบุญแทนเมตตาก็เป็นแบบที่อธิบายอนี้นะน่าจะเข้าใจง่ายได้ดเวลาตรวจน้ําเวลากร ว, ว, วดบุญอุศลควรใช้อะไรกลับใช้น้ําใช้จิตใจที่ดีออในความหมายน่าจะบอกว่ากรวดน้ําอุทิศสุภุศันกับตั้งจิตคิดอุทิศสุภุสับบ ควรจะใช้แบบไหนจึงจะดีใช่ไหมเนี่ยที่ถามอย่างเงี้ย น, น, น่าจะใช่อย่างนี้การกรวดน้ำไม่มีในทางข้อพุทธศาสนาพูุทธเจ้าไม่เคยสอนวิธีการกรวดน้ำไว้ไม่มีแบบวิธีรรดโดยตรงและไม่เคยสอนแบบวิธีการกรวดน้ำโดยตรง ไม่เคยบอกว่าจะต้องลินน้ําจอกจอกๆเวลาทีิพัสสวด ย, ยะถาบริวารหาปรรุราปริภุเรติสากรังอาวามวะอิโตดินนำเตตาอุปกปติไม่มีระบุไว้ในแบบวิธีในทางพุทธศาสนาไม่มีในหลักคำสอนการกรวดน้ำอย่างนั้นและไม่เคยตรัสสอนไปว่ากลางอุทิศบุญจะต้องกรวดน้ําทุกครั้งท่าเจ้าก็ไม่เคยสอนไว้ทีจริงๆถามว่าการกรวดน้ํามีมาจากไหนมีมาจากพิธีของพราหมณ์ อ๋อเมื่อเป็นที่นิพพามแล้วมันมาอยู่ในส่วนของพุทธศาสนาได้อย่างไรมันมีอยู่ในส่วนของศาสนาโดยที่คนโบราณเราอ่านรับคําสอนของพุทธเจ้าแล้วไม่คบคิดให้เข้าใจคือคบคิดไม่แต่นั่นเองไม่พยายามคบคิดให้ดีไปจับเอาส่วนของการหลังน้ําทักซิโนโทก ข, ของพระเวสสันดรบ้างของการบําเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสตัตว์ในคราวที่พุทธองค์เรายังไม่บรรลุเป็นสมัสสะพุทธะนั้น ในข่าวยังอาศัยศาสนาพรามในการบำเพ็ญอยู่ไปเอาไปเอาหลักของการหลังน้ำพัดสโนโทภเวลาที่พระองค์ทรงทําความดีทุกครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเวลาพระองค์บริจาคทานเนี่ยจะหลังน้ำพัดิโนโทกการหลั่งน้ำพัดสโนโทกของพระเวสสันดรเป็นการหมายทานไว้ในแต่ละครั้งที่พระองค์ทรงหลังเป็นการหมายทานที่พระองค์ทรงให้ทานไว้ในแต่ละครั้งพระองค์ได้ให้ทานในคราวครั้งนี้หลังไว้เพื่อหมายไว้ให้เป็นสัตว์ขีพยานแก่แผ่นดิน แกดิบน้นําไปลงให้ทราบมาปพงได้สารทานไว้คือการหมายทานใช้สําหรับโพธิสัตว์ผู้ทําการสั่งสมบาลมีอยู่และพิธีการหลั่งน้ำพระสินโนทกเป็นความเชื่อของทรนซึ่งพระเวสสันดรเกิดอยู่ในยุคของาศาสนาพราหมณ์เขาจึงพระเวสสันดรจึงใช้พิธีของพรามมาในการตรวดน้ำหลั่งน้ำพระสินโนทกแต่ไม่ใช่กุฏิอุศน การหลั่งน้ำทัสิโนโทกเป็นการหมายการแต่ไม่ใช่การอุทที่สุดสนต้องแยกกันให้ออกนะหมายถึงว่าเขาได้สละทานออกไปแล้วเขาจึงหลั่งน้ำไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายไว้ว่าเขาได้ให้ทานในเขาครั้งนี้ให้มีสถีพยายนโดยเอาแผ่นดินนี่แเป็นพยานน้ำพลนี้แหละเป็นพยายนแล้วนบะ่ายังไงแต่ไม่ใช่การบุญที่สุดสนนะส่วนการบุทิศนั้นผู้ได้เจ้าสอนตอนที่องค์ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้ว ฟังให้ดีนะตอนเป็นโพธิสัตว์นั้นยังไม่ตัดสรู้ใช่ไหมยังไม่รู้วิธีการอุทิศสุกสนนะตอนที่เป็นโพธิสัตว์น่ะหากไปศึกษาคําสอนดีๆหลักของการอุทิศสุกสนรปรากฏตอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ตอนที่เป็นสัมมาสามัมพุทธะแล้วส่วนตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ไม่เคยสอนเรื่องการอุทิศสุกสน แต่ทำการหลังทามัโโคซีนนพกเป็นเครื่องหมายทานไหมในเท้าที่เป็นพระเวสสันดร น, นั้นทีนี้คนไทยเราคุ้นเคยกับการฟังพระเวสสันดรมาฟังเทศพระเวสสันดรออ่ะเป็นกิจการเป็นเป็นงานเป็นสาระเป็นเป็นเหมือนกับว่าคนวัดคนวาต้องฟังฟังเทศพระเวสสันดรทางเหนือมี้ไห ม, มเทพพระเวส ต, ต้องฟังสิบสามกันด้วยนะ คุณเคยแต่การฟังเทศอย่างนั้นการให้ทานนางมัทสีนางการหาชาลีเลยรู้จากกาันแต่ไม่รู้ความหมายใ น, นทางคำสอนนั่นคือพระองค์ยังใช้วิธีของทามอยู่แต่เมื่อพระองค์มาประกาศตนเองเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะแล้วและก็ก่อตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีการอุทิศสุขุสนไว้โดยการตั้งจิตอุทิศไม่ใช่การรวดนำอุทิศ ในขครั้งแรกก็คือบอกให้พระเจ้าพปิวิสณ์นั้นอุทิศโดยคิดอุทิศคิดในใจอุทิศไม่ได้ให้ตรวจนะเขาบอกเอาในท้องเรื่องทำไมมีบอกว่าพระราชาถวายน้ำพัคซีโนโทกแล้วอุทิศคําว่าถวายน้ําัคซีโนโทกต้องเข้าใจว่าถวายน้ําถวายน้ ำ, ai, นำพัคซีโนโทกแล้วอุทิศถวายคือมีน้ําอยู่คือพระเจ้าปิวาษณ์ยกคนโพน้ําขึ้นมา ลินถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าถือขันน้ามาพระเจา้าพิมสารลินน้ําถวายขณะที่ลินน้ําถวายพระพุกองค์นั้นพระเจ้าพิพสารคิดอุทิศบุญว่าอิดังเมยาติดังโหตู่นะ <c oughs> คิดอย่างนี้อิดังเมย่าติดังโหตู่หมายถึงว่าขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติของพระพเจ้านะคิดอุทิศอย่างเนี้คือจบตรงไปให้ญาติบุญก็สําเร็จ เพราะั้ว่าทัสนโนทกไม่ใช่น้ำหยาดแต่เป็นการใช้น้ํำทาบุญคือเอาน้ําไปถวายพระพุทธเจ้าทักคีนาคือของทาบุญอุทกแปลว่าน้ําเอาน้ําไปทาบุญเอาน้ําไปถวายพระพูดง่ายๆอาน้ำถอยพระแล้อุทิศนั่นคือทัศนโนทกแต่เราไปติีคำว่าทัสนโลทกคือน้ำหยาดโดยไปเห็นภาพของพระเวิดสนดนแต่ไม่มองภาพที่พระองค์ทรงสอนให้พระเจ้าวิาขิสฐานําในคราวที่เป็นสมณะสมุทธาเราต้องแยกให้ออกว่า เพราะเวสันดร น, นั้นยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าอยู่ในช่วงของการบราเพ็ญบารมีในกําลังเต็มแต่พระพุทธเจ้าเราบรรลุสมาสติโพธิญาณแล้วแล้วรู้เหตุรู้ปัจจัยการอุปิัมภ์ส่วที่ถูกต้องโค้งจึงไม่ได้บอกว่าให้ใช้น้ําในการตรวจชโค้งบอกว่าคิดกุคิดได้เลยหากใช้น้ําในการตรวจไม่คิดก็แค่ตรวจแต่ไม่คิดว่าบุญนี้ให้ไปเป็นใครมันก็ไม่สําเร็จ แล้วการที่จะให้ผลบุญสำเร็จจะต้องอุทิศในขณะที่ให้เอวะเมวะอิโตดินนันทานที่ท่านได้อุทิศเปตานังอุปกปรารปติอุปกปติเป็นคำกํากับตายตัวเลยว่าต้องเป็นผลสําเร็จหรือจะเป็นผลสําเร็จย่อมสําเร็จคือกํากับเลยว่าย่อมสําเร็จแก่ผู้ที่เราชีวิตไปโดยการเอวะเมวะอิโตดินนันคําว่าเอวะเมวะอิโตดินนันก็คือให้แล้วอุทิศหมายถึงว่าทานที่ท่านได้ถวายแล้ว ทานที่ท่านได้ให้แล้วแต่อุทิศแล้วนะพูดง่ายๆเอวะเมวะอิโตโดินนังทานที่ท่านได้อุทิศแล้วแต่โลกนี้เปตานงอุปกรณิย่อมสำเร็จเกี่ยวเพื่อใหโลกนี้ไปแล้ฉะนัน้นทานคือการให้ให้แล้วกุปอุทิศพร้อมในขณะที่ให้ย่อมสําเร็จนะในความหมายเพราะฉะนั้นการตรวดน้ํามไม่มีความจําเป็นใดๆเพื่อใช้ใ น, ในการอุทิศพิธีการตรวดน้ําจึงเป็นเพียงแค่พิธีดํา แต่ไม่ได้นํามาซึ่งผลสําเร็จในการอยู่ที่สุดปรสงค์ให้เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าพวกไม่เข้าใจเห็นปวดน้ำเติมบุตรเติมบ้านเติมเงินแต่คนที่เข้าใจก็มีบอกเอออาจารย์สอนไงมาสวนทางกับชาวโลกเข้ า, จาใจก็ทํามะเป็นของควนกระแสะโลกธรรมะเป็นของสวนกระแสะโลกอยู่แล้วธรรมะไม่ได้ตามกระแสะโลกคุณ ถ้าจะต่ออะไรมาก็ขัดแย้งกับโลกเขไปเกิดเซตเรื่องธรรมะกขาไปเคลื่อนขัดกับโลกขัดโลกนี้ให้สะอาดถ้าไม่ขัดมันก็ไม่สะอาดคอยแต่จะตามๆกันไปอยู่มันก็พากันไปสู่ความงมงายความหลงผิดจะไม่ให้มีผู้เรียนรู้คมสอนผู้เจ้าแล้วเอามาบอกในคําสอนที่ถูกต้องกันเลยจะไม่ให้มีเลยเรอในสังคมนี่ก็เรียนรู้กันบ้าง ไม่ถือตามไม่เป็นไรแต่แยแกแยะออกว่าไม่กวดน้ำก็ได้นะเขาจะอย่างนั้น okay, เอาเป็นความขัดเย้งในใจอยนะู่อันนั้นใช้ความหมายผิดในการปฏิบัติหรือนับหรือศา ส, สนาผิดคำถามมาอีกว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมกับเชื่อไสยศาสตร์มีความแตกต่างกันยังไงพูดไปมันจะขัดอยู่มากเยคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรม กับเชื่อสายศาสตร์หมายถึงว่าไม่เชื่อทั้งเรื่องกรรมไม่เชื่อทั้งเรื่องสายศาสตร์เหรอใช่ไหมหรื อ, อยังไงเขาถามอย่างนี้ว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมกับความเชื่อสายศาสตร์ไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่ไปเชื่อสายศาสตร์อย่างนี้เหรอเอาจะตอบอยังไงดีไงฮะจะจะแยกคําถามมาตอบอไป <lions. S 2> ไหคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรม กับความเชื่อไสยศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างไรน่าจะตีคําถามเป็นได้ว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์นะจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะมันก็แตกต่างมันกาของกรรมกับไสยศาสตร์คือไม่ตีคําถามก่อนตีคําถามก่อนว่าที่ถามมาเขาผสมจะถามว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ทั้งสองอย่าง กลับก็คือทั้งสองอย่างนะเพราะว่าคํำว่ากลับคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมกับความเชื่อไสยศาสตร์มีความแตกต่างกันอย่างไรไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาบอกอ้าวทำไมเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสอง เชื่อเรื่องกรรมว่ากรรมมีจริงเชื่อเรื่องศยลศาสตร์ว่าศยลศาสตร์มีจริงศยสาสตร์ก็มีจริงใช่ไหมแต่สิ่งที่ศยลศาสตร์ทำเนี่ยมันจริงไหมมันเป็นสัจจ์ไหมไม่แต่กรรมเป็นสัจจ์ไหมเป็นสัจจทำดีได้ดีใช่ไหมทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมแต่ศยลศาสตร์เป็นสัจจ์หรือเปล่าไม่ฟันไม่เข้าแทงไม่ออกเป็นสัจจ์ไหมไม่มันไม่ใช่สัจจ์ จัดจักฟันแล้วต้องเข้าแขนต้องเข้าเอ๊อฟันไม่เข้าแทงออกผิดฟันไม่เขา้ายิงไม่ออกยิงไม่ทะลุความจริงแล้วเนื้อหนังเนี่ยต้องฟันเข้าแทงแทงเข้ายิงเข้ า, เ, ขาเนี่ยคือความจริงศย์ศาสตร์หาวิธีการที่จะปกป้ อ, องตัวเองทำพิธีไล่มดลไล่คาถาสร้างถีง ส, รสร้างอะไรขึ้นมาแล้ ว, ลวให้มันให้มันเป็นอศัศจรรย์พิเศษมีกาําบัง ชอบหนําบางฟันอะไรที่เขาทำกันขึ้นมา เ, เรื่องของวยาศาสตร์ฟันก็ไม่เข้ายิงก็ไม่เข้าเหนียวอันนั้นไม่ใช่ความจริงแต่คนสรรเสริญว่าดีก็แสวงหาของดีกันแต่ก็ไม่เคยเจอดีว่าดีที่แท้จริงคืออะไรคนเรามันดีอยู่ภายใไนไม่ได้ดีอยู่ไอ้กายเนี่ยกายนี้ไม่ดีดีอะไรหรอกตายแน่นอนแกเจ็บตายแ น, น่นอนเน่าเหม็นตายแล้วก็เน่าเหม็นพร้มอมขึ้นอื่นเตื้อเน่า นี่คือความจริงจะมาหลอกว่าเหนียวเหนียวกันอยู่นี่ก็ได้แค่ชั่วคราวเหนียวกันแค่ชัวคราวแล้วก็พอเหนียวเสร็จอยู่ไม่เป็นสุขนะไปท่าทายกับสิ่งนั้นท่าไายกับสิ่งนี้ยังไล่ะหาความสมบูรณ์สุขภายในตัวเองไม่ได้แต่คนที่มีความดีในตัวเองไม่ได้แสวงหาความดีอย่างอื่นไม่ได้แสวงหาความดีนอกตัวก็ดีอยู่ภายในแม้จะตายก็ตายกับความดีของตนเอง ไอเดาปืนมายิงก็ตายความดีของตัวเองก็เข้าผุ้ได้เจ้าก็ยังเข้าเลยค่อนหินติวกระพบหลังผ้าบาดยั ง, ย, งยังเจ็บเลยไม่ได้เหนยนะเียวนะคุณยงโอ้โหนี่นคือความจริงน่าจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคำถามคนไม่เชื่อเรื่องกรรมก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องไส ย, ยศาสตร์ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ แต่ความเชื่อทั้งสองอย่างเน <color>. ี่ยเราต้องรู้ว่าความเชื่อไหนเป็สัจจ์ความเชื่อไหนไม่เป่นสัจจ์เมื่อเชื่อสิ่งที่เป็นสัจจ์ย่อมนําประโยชน์มาให้เมื่อเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่สัจจ์ก็นำโทษมาให้ในภายหลังของข้อตัวแล้วก็โอ้โหแกกันยากมากเลยพวกศาสนาแต่มันก็ต้องมีคู่กับโลกมีไว้คู่กับคนที่ยังไม่เข้าใจศาสนาอยู่ก็มีคู่กันไปแต่คนในศาสนาต้องเยนให้ออกเด๋ยวไปปนกันทุกวันนี้เอา ศัยศาสตร์มานกับศาสนาของตัวเองมากมาเยอะๆปนในตัวเองนั่นแหละคือในตัวเราเนี่คือตัวเขาศาสนาผู้ปฏิผู้ใดก็ตามประกาศตัวเองว่าเป็นผู้นับถือพศาสนาแต่ยังไปยุ่งเกี่ยวกับศัยศาสตร์ก็คือเอาศัยศาสตร์มาปนกับตัวพุทธในตัวเองก็เลยกลายเป็นพุทธใส่ไปด้วยกันกลายเป็นแยกไม่ออกแนละอะไรพุทธอะไรใส่ปนกันจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไร เลยงัวแต่สแบสแบแสบหาของดีบางทีก็อายุเจ็ดสิบปีแปดสิบปียังมาขอของดีกับกฐามาอยู่เลยเดีเออายุป่านนี้แล้วยังมาขอของดีอยู่าายยเลยที่ผ่านมายังหาดีไม่เจออยู่เลยมาขอทําไมคือเห็นว่าพระอาจารย์คงจะมีของดีของดีมีอยู่ทุกคนนั่นแหละขาสองแขนสองมาหนึ่งอะดีที่สุดแล้วมีของดีมาอยู่เต็มคอไม่มีแขนสักข้างมันดีไหมไม่ดี ของดีคบอยู่ในตัวเราหมดแล้วมีของดีเต็มตัวไปสักไปลงเล็กลงยางลงของขังอะไรมาขาขาดไปข้างนึงดีนหมละ่ะไม่ดีควนของดีมีกับตัวรักษามันให้ดีแล้วใช้ในทางที่ดีมันจะดีสําหรับตัวเองอย่าไปหาของมีอย่างอื่นมีในตัวเองก็รักษาให้มันดีและสร้างดีจากมันให้มันได้ถามว่าบริจาคทานบริจาคทำทานเฉพาะบุคคล กับบริจาคทำทานสาธารณะแต่ต่างกันอย่างไรทำทานเฉพาะบุคคลได้บุญน้อยกว่าทำทานให้กับสาธารณะได้บุญมากกว่าแต่มีข้อแม้ว่าทำทานเฉพาะบุคคลหาทำกับปิดามานาได้มีบุญมากกว่ากับทำสาธารณะถามว่าเข้าใจหรงเรื่องการทำทานบริจาคเข้าใจแล้วนะ คนในนี้เข้าใจแต่คนในเปพจไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะคือทําเฉพาะบุคคลได้บุญ น, น้อยอะไรก็ตามที่เป็นเฉพาะบุคคลในน้อยกว่านอกซีจัว่า ท, ทํากับปิดามานดาได้มากทํากับสาธารณะยังไงก็ได้มากคําว่าสาธารณะคืออะไรถนนหนทางสาราี่พักลิมทางบอ่อน้ําที่คนสามารถใช้สอยร่วมกันได้นี่คือทําบุญหรืออะไรอีก อะไรที่เป็นสาธารนณะปลูกต้นไม้เป็นสาธารนณะเป็นร่มเงาแก่คนอื่นได้บุญมากเป็นสาธารนณะถามว่าเก็บขยะที่อยู่บนพื้นตามสถ า, านที่ต่างๆไปทิ้งในถังขยะเราคิดว่าทําไปเพื่อสาธารณประโยชน์อ่นี่ก็ทําเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อป้องกันภัยจากการเกิด น, น้าท่วมก่อนเกิด น, น้าท่วมจริงเพราะทําให้มนุษย์สัตว์ต้องได้รับความเดือดร้อน ผมเลยต้องเก็บประหยัาสรสถานที่ต่ามเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมคิดแบบนี้ทําแบบนี้ได้ไหมครับได้ดีด้วยอนุมโมทนาสาธุที่ทําแบบนี้เก็บไปเรื่อยๆได้บุญมากอา น, นิสงส์ได้อะไรบ้างอา น, นิสงส์ก็คือจะไปเกิดที่ไหนก็ตามจัดได้อยู่ในที่ที่สะอาดไม่มีที่สุปปกปะอย่าได้อยู่ไปอยู่ในที่ที่ราบเรียบไม่มีที่ที่เป็นผากน้ํา จะได้ไปอยู่ในที่ที่โอทงสบายอยู่ที่ไหนก็สบายหูสบายตานี่คืออดิสจะไม่ได้อยู่ในที่คับแคบจะไมไ่อยู่ในที่อึดอัดจะไม่ได้มีสิ่งที่เป็นเครื่องรบกวนสายตารบกวนจิตใจภายในขยยักต่างๆภายนอกจะไม่มีให้ปรากฏให้เห็นจะอยู่ในที่ที่สวยงาม น, นี่คืออดิสง เด็นในดีสูงแล้วก็น่าทำนะการรรมศ์การ์อาจารย์อานิยมชินจาก U.S. อเอสบทต่อไปจะเป็นรายการตอบปัญหา <c oughs> จากการอธิบายครับก็ดีเหมือนกันถามกันมา โยมอยากได้คำกล่าวถวายทานในการถวายของเช่นสังฆทานอันทำให้โยมเคยไปที่วัดอาจารย์ครั้งครั้งก่อนแต่จำไม่ได้ค่ะกราบลวบอาจารย์บอกอีกทีการกล่าวคำวถวายสังฆทานอาตมาจะาสอนให้ย า, ยาติโยมกล่าวคํามลึกถึงพระรัาตนตัยก่อน เมื่อกาวควางแล้วเราตายแล้วประกาศทานที่เราจะถวายว่าให้ทานนี้เป็นทานถวายทานแด่สงศ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทานที่เร า, เายินดีในทานตั้งกติยินดีในทานว่าทานนี้ถวายเจบะจงไม่เห็จาะจงมุ่งถวายอุทิศแด่สงคือถวายเพื่อสงศ์สาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไปเดี๋ยวจะมีบอกไปไอนนเดี๋ยวจะต่อแยกต่างหากวนตัว นะตอนมั้นก็ไม่มีอะไรหมัหมดแล้วหรคำถามถามเข้ามาว่าบุตรสบาปัญญาดิตน้องซีกันการเรียนถามว่ามีคนมาบอกแบ่งบุญให้กับเราแต่เราไม่รู้ว่าเขาทำบุญมาแบบไหน วิธีไหนเช่นทํากรถินรวมเงินกันเข้าวัดแล้วเราอนุโมทนาด้วยแบบนี้จะได้บุญไหมครับเรื่องการบอกบุญเราต้องแยกแยะให้ออกชาวพุทธเราต้องมีปัญญานะไม่ใช่ว่าเขามาบอกเขามาบุญบุญบุญเนี่ยแค่คําว่าบุญนี่มันเราก็พักเงินจ่ายกันแล้วเพาเราอยากได้บุญเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของการทาบุญน่ะทําอย่างไรถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ก็เป็นบุญแบบโงเงิน บุญที่ไม่ใคยบุญบุญที่ไม่เกิดผลบุญบุญที่ไม่เป็นตัวบุญบุญแบบหลงในนี้บอกว่ามีคนมาบอกบุญเช่นทำบุญกับหินทำบุญกับหินอย่างที่เห็นกันทุกวันนี้คือเป็นภาพให้เห็นกันในสังคมทุกวันนี้นะคือเป็นภาพให้เห็นแล้วนะไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดมโนมาเดาเอากันนะ เป็นอก็เดี๋ยวแล้วว่าหนึ่งบุญกฐินเนี่ยเอาต้นกฐินคือต้นเงินนั่นแหละนะต้นเงินเอาเงินมาเสียบรวมกันบุญการรวมกั น, กนมุ่งแล้วว่าบุญกตินเนี่ยจะเอาเงินไปถ ว, วายอาบัตนี้ให้ได้เท่านี้กำหนดไปเลยสีสย่้าแสนหลายหลายลาย้านกำหนดไปแล้วสองในบุญกฐินนั้นสั่งฆ่าไว้แล้วว่าสัตว์ตัวนี้จะถูกนํามาฆ่าเลี้ยงในงานกฐินนะสัง่งคือไปไปหมายไว้ลแล้วเอากี่ตัวกี่ตัวหมูกี่ตัววัวกี่ตัว เขาจะเห็นกระนัะเป็นภาพในสังคมที่เห็นกั น, นะ น, า ห, ห, น, กนหากจัดงานกตินด้วยวิธีการนี้แล้วมีคนมาบอกบุญกับเราแล้วเราก็ไปอนุโมทนาจิน ด, ดีด้วยเราจะได้บาปในงานบุญกตินนั้นเต็มๆ เ, เพราะอะไรเพราะพระเจ้าบอกว่ากตินไม่ใช่เอาเงินไปถอยพระแล้วเมื่อทําบุญโดยการที่ฆ่าสัตว์แล้วจกจง ก, กันทําบุญฆ่าสัตว์โดยอ้างว่าเอาไว้ทาบุญจะว่าไม่ว่าจะเป็นบุญกตินบุญพระป่าหรือบุญอะไรก็ตาม แต่ไปสังฆ่าผู้เจ้าบอกว่าบุคคลผู้สังฆ่าสัตว์เพื่องานบุญจะเป็นการงานบุญแบบไหนก็ตามบุคคลผู้นั้นจะได้บาปมากบาปมากกว่าฆ่าแบบปกติสองเท่าสามเท่าก็ว่ากันไปหากราไปเพื่ออนุโมทนาและยินดีด้วยหรือร่วมทำบุญด้วยเราก็จะได้บาปมากกับงานกิหนหรือ ง, งานบุญอย่างนั้นเพราะนั้นมีปัญญาให้มากชาวพุทธเรา ถ้าไม่มีปัญญาก็จะเป็นการทำบุญแบบห ล, ลงงงง่ายเป็นการทำบุญแบบไม่เป็นบุญทำบุญแล้วได้บาสนะใเข้อใจอย่างนั้นไม่ควรอนุโมทนาตัวสอบรที่มาที่ไปว่าจัดงานกับบุญกับหินเนี่ยเอาเงินไปเอาเอ า, เอาทำต้นเงินต้นทองไหมถ้าเขาทำต้นเงินต้นทองไม่รวม่วง ฆ่าสัตว์กี่ตัวรู้ว่าเขาฆ่าสัตว์เลี้ยงในงานบุญไม่ร่วงเขาบอกให้นอนาวัฒนาไม่มีเงินก็อนุโัฒนาก็ได้ไม่อนุโัฒนาไม่ต้องโจรบุญอย่างนั้นเดี๋ยวไปเสียดายเข้าใจไหมเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้แล้วสังคมเราบุญแบบเป็นบากฮะบุญที่เต็มไปด้วยบากพูดอย่างนี้ก็ขาดแยกกับสังคมอย่ พูดอะไรไปกเตัดเยี่ยงกับเขาไปถ้าจารย์พูดไปกับสังคมเขาไม่ได้หรอือว่าอ่อนอ่อนไปกับเขาหน่อยสังคมน่ะเว่าไงเขาพาเราเดินไปเหยียบน้ําเราก็จะเหยียบน้ํากับเา้าใช่ไหมขอาถามหน่อยเขาพาเราเดินไปตกเหวก็จะตกเหวกับออเขาใช่ไหมขอาถามหน่อยเขาพาเร า, ากินยาพิษเราก็จะกินยาพิษกับเขาใช่ไหมอ่ อ, อนอ่ อ, อนตามเขาหน่อยนะ เขาป่วยเขาแบ่งเชื้อโรคมาให้เราเราก็เกณฑ์ใจเขาว่าเออไหนๆเขาก็ป่วยกันแล้วเขาก็เราก็ป่วยกับเขาบ้างจะได้เป็นพวกเดียวกับเขาอย่างนี้เหรอคือยอมป่วยกับเขาเพื่อยอมเป็นพวกเดียวกับเขาอย่างเงี้ยเอาเขาเป็นเอสดเราเราอยากจะเข้าเดียวเข้าพวกเดียวกันกับพวกเป็นเอสดต้องไปทําติดเชื้อกับเขาอย่างนี้เอ่ะต้องยอมขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใจคไม่เข้าใจมันคืออะไร คือหลักคำสอนในศาสนาเราก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเรามีคําสอนที่ดีอยู่นะไม่ใช่มาทําอะไรกันมัว่วซั่วกันอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะโอนอนอน่อนกันก็ทํากันเลยไม่แค่อย่างนี้นะทางคณะสงฆ์ทั้งคณะโยมทุกวันนี้มั่วกันไปหมดแล้วอิลุงตงนงังร้องไปอันไปด้วยกันไปนหมดแล้วพระพูดอะไรก็เออออกันไปนหมดแล้วพูดอย่างนี้ขัดกับพระขัดกับโยมขัดขัดไปหมดแต่ขัดในความหมายขัดของอาตมานี่ไม่ได้ขัดแยง้ง เพื่อไม่ให้ถูกอะไรกันไม่ใช่นะอาตมาก็ยังพบกับพระภิกษุทั่วไปที่พอพบกันได้อยู่ที่ยังทําอย่างเงี้ยก็พบกันอยู่คือยังเคารพกันท่านอยู่เคารพในฐานะของภิกษุผู้เป็นครูอาจารย์ผู้บวชก่อนก็ยังเคารพ อ, อยู่แต่ที่สอนอย่างนี้คือสอนหลักความจริงคือพระศาสนาสอนให้บอกให้สอนอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกให้ภิกษุสอนทาแสดงทำแห่งความจริงอย่างนี้ออกไปก็ต้องสอนออกไป ถ้าไม่สอนออกไปก็แต่สอนขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าสอนได้อยู่หลือขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าใครกล้าขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าบ้างคนที่กล้าขัดแย้งกับพระเจ้านี่โอ้ยนักมากเลยนะแม้ตนเองจะประพฤติปฏิบัติเข้าไม่ถึงผลก็ตามแม้อตมาจะปฏิบัติเข้าไม่ถึงมากผลข่านใดขั้นหนึ่งก็ตามจะเป็นพรรคปุตุชนอยู่ก็ตามพระไม่ดีก็ตามแต่จะให้สอนขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าไม่เอาพระพุทธเจ้าสอนอย่างไงก็จะสอนอย่างนั้นจะสอนขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าไม่กล้าขัด หรือใครข้าดก็ขัดกันไปที่มีหน้าเจนะอความเดือดร้อนกันทุกงหยองยากกันทั้วันนี้ความเดือดร้อนไดตกอยู่กับชาวบ้านตกอยู่กับคนตกอยู่กับประเทศชาติอยู่ทั้วันนี้ศาสนาได้อ่อนแอนะมัวแต่จ้องอยู่ว่าศาสนานั้นจะมาทำลายศาสนานี้จะมาทำลายแล้วตนเองทำลายศาสนาตนเองไม่เคยจ้องไม่เคยดูว่าเราทำลายศาสนาตนเองหรือเปล่าผลรไามา้ก็เน่ามาจากข้างในนะไม่ใช่เน่ามาจากข้างนอกจากข้างใ น, นข้างในมันเน่าวก่อนแล้วออกมาข้างนอกเปลือกนอกมันีีเน่า นะ้าเขาใจมั้ยมีถามอีกรหรือเปล่าถือว่าเป็นการแสดงทำนะไม่ได้พูดว่าใครไม่ได้พูดปลามาใครมีม่ไม่มีอีกแล้วมั้างไม่ได้ถามมาแล้วบ้างหมดแล้วมันหกสิคอมเมนต์เลยเลยมาเยอะจั้ง มไม่มกี้ไถามได้รับฟังข้อธรรมจากท่า น, นแล้วรู้สึกปีติจะนำไปปฏิบัติต่ออีกนะครับทุกวันนี้ก็ท่องทักากรรมฐานสี่ทุกวันและที่นาการที่นาทัศสีในกายรู้สึกเป็นบุญ ไ, ได้รู้จักการท่องผ่าในใด้ฟังธรรม ท, าทา่านทำให้ชีวิตมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีดวอะไรที่มาแบบดวงชิ หนึ่งคำถามหมด่งคำถามถูกหมึ่งเดิ่างนะเอาเราถามกันมาทีเอาคือนปเยอะแล้วะยอ่านได้ไม่ถึงไหนเลย งานพ่องกงหรือเปล่าไม่ดีสัญญาณที่นี่ก็ยังรับชงกันได้ตาม ป, ปกติอยู่นะเชคสสัญญาณรับทางไกลหน่อยเอฟเกี่ยวกับทางไกลว่ามันไกลแล้วรับไม่ได้หรือเกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ้อยูเอสก็ยังฟังได้อยู่นะได้ไหมหสิดนะไม่เขาจริงๆก็ติดตามมาตลอดอยู่แต่บอกเที่ยวนี้ชมไม่ค่อยได้ นะคะสิ่งใดล่ละค่ะสิ่ใงใดงานที่ดีสัญญาใดกระใดนั้นนะที่พยายามบอกออกไปทเทศออกไปสอนออกไปอธิบายต่อบปัญหาแต่ละข้อออกไปเพื่อที่จะทําให้คนเราได้เข้าใจศาสนาของตัวเราเองบ้างนะอย่าเข้าใจศาสนาของเราแบบมัว่วบางคนก็บอกว่าพระอาจารย์ก็ควรอะไรทําตามโลกเขาบ้าง ให้ทําตามโลกเขาบ้างนี่จะทําทำยังไงเราทาตามโลกอะจะให้ทําแบบไหนทําตามโลก <c oughs> ก็ทําที่เขาทํากันนี่แหละแบบลบโลกนี่แหละ <c oughs> คือเขามีกติณภาพาปแบบที่เขาทํากันงานอะไร <c oughs> ก็ก็ทําตามที่เขาไปทิที่อาจารย์ไม่ทําอย่างนี้มันก็เขาก็ไม่พอใจโลกเขาก็ไม่พอใจ <c oughs> เราจะเอาโลกเป็นใหญ่หรือเอาอะไรเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าบอกความเป็นใหญ่มีอยู่สาม สอย่างอัตตาทิปปไตยเอาตนเองเป็นใหญ่โลกาทิปปไตยเอาโลกเป็นใหญ่ธรรมารทิปปไตยเอาธรรมเป็นใหญ่ในสามประการนี้ผู้เจ้าบอกว่าเอาธรรมเป็นใหญ่คือธรรมาธิปไตยทําเป็นใหญ่ยอดเยี่ยมที่สุดเอาตัวเองเป็นใหญ่ยังไม่ดีแต่ถ้าหากตนเองเป็นใหญ่โดยธรรมคือมีธรรมอยู่จะดีแต่ตนเองถ้ามันมีธรรมไม่ยึดหลักธ้ําก็ไม่ดีผิพควรจะเอาธรรมเป็นหลัก นะทาเป็นใหญ่เอาโลกเป็นใหญ่ก็ไม่ได้แล้วต้องเอาทาเป็นใหญ่ตัวันนี้มีประชาธิปไตยเ อ, เอาอะไรเอาคนหมู่มากเป็นใหญ่ประชาธิปไตยก็ไม่ดีอ่ะคนหมู่มากก็ทะเลาะ ก, กันพ่อขัดแย้งกันนี่เป็นสองขหมู่มากสองขวก็ห้ำหั่นกันเพราะมันมีหมู่มากประชาธิปไตยนะถ้าหมู่มันไม่มากมันก็แตกแยกกันไม่ได้ เพรหมูมันมากมันก็เลยแตกแยกกันได้หมดกูมีหมูกูมีพวกกูมีคณะกมีปกมีแกงมีพักมีพวกเนี่ยเอาเป็นใหญ่ไม่ได้แต่เอาทําเป็นใหญ่น่ะได้เพราะทําไม่มีปกไม่มีแกงไม่มีพวกมีแต่ความจริงเป็นใหญ่พระเจ้าให้ยึดถือทําเป็นใหญ่นี่คือทํามพุศาสนาเมื่อพระองค์ทรงตรัสสอนอย่างนี้แล้วจะให้ยึดถืออะไรเป็นใหญ่ได้ทํายึดถือทํำจะให้ทำตามโลกก็เสียทั้งหมด ไม่ได้เขาบอกเอาผ้าจย์อยู่กับโลก ก, ก็เกี่ยวข้องกับโลกอยู่ถ้าไม่ทําตามโลกมันก็จะอยู่ยากเอ๊ะอาตมาอยู่มานี่ก็สบายอยู่สบายดีอยู่นะเนี่ย ไ, ไม่ได้ใช้เงินก็สบายดีอยู่เลไม่มีเงินสัก บ, บาท ก, ก็ใช้ดีอยู่มีบาทใบเดียวใช้บินาบาทคือบาทมาตั้งเยนี่นยโยมเขาเอาอาหารมาก็ใส่บาทฉันตอนเช้าแม้จะไม่ได้ออกไปบินาบาต ด้วยสุขภาพที่ไม่ดีแม้จะไม่ได้ออกไปก็ถือว่าเ อ, อาการบินาบดโดยที่เราอาศัยอาหารที่รับลงในบาทเนี่ยเป็นการบินาบาในที่ถิ่ที่อยู่ก็แค่นี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้เงินแต่คำว่าไม่จําเป็นต้องใช้เงินไม่ใช่ว่าเราจะไม่ขนขวายปัดไก่สีแก่พิสูจน์สงนะแยกกันให้กออกนะมีปัญญานะโอ้พระท้าไม่ใช้เงินไม่ต้องเอาเงินไปทําบุญแล้วไม่ใช่นะหมายถึงว่า แต่ไม่ไดเอาเงินมาเก็บสะสมไว้เป็นของตนเองเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าพระไม่รับเงินอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินไปทําบุญเงินน่ะทำบุญได้แต่อย่าเอามาทาบุญกับพระโดยการเอามาให้กับพระโดยตรงบางทีพระเจ้าบอกว่าห้ามพิสูจยินดีในเงินและท อ, องโดยประการทั้งปวงแต่ไม่ห้ามพิสูจนยินดีในปัจเจ sĩ โดยประการใดๆเลยคือพิสูจยินดีในอาหารซึ่งผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันเกิดจากซั์ได้ แต่อย่ายินดีในตัวทรัพย์นะหมายถึงว่าพระไม่รับเงินเราก็เราก็ต้องขนไถด้วยทรัพย์บ้านเราจะจัดการจับปัจจัยสี่แก่สงภิกษุสงนั้นอะ่ะด้วยทรัพย์ของเราอย่างไรนี่คือความฉลาดที่พงศงวางหลักไว้แต่คนไม่ฉลาดเอาเงินไปให้พระเลยกลัวจะไม่ได้บุญไอ้บุญนี่แหละเป็นตัวหลอกเอกคนมากมายตั้หนานแล้วเราก็หลงไปในบุญนัน หรือเรียกว่าหลับหูหลับตาทำบุญกันเป็นอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็เดี๋ว่ากันนะมันมันต้องพูดอ่ะเป็นความจริงก็เป็นสิ่งที่สะท้อนสังคมที่เห็นจริงดูแล้วนี่คือพูดในชั้นของวิธีปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติในกิจทางศาสนาภายนอกนยังไม่เรื่องพูดถึงเรื่องภายในนะั้นเรื่องของการปฏิบัติในกิจในใจนะในกิจในใจอันที่จะเอาตัวเองพ้นออก จากอาสวะกิเลสเป็นเรื่องอีกที่เรื่องนึ่งที่หางไกลจากเรื่องพวกนี้มากพวกนี้ยังเรื่องพวกนี้ยังทำไมไ่ถูกก็ไม่ต้องพูดถึงการกําหนดจิตในในในขันทั้่าสี่ขันท่าแล้วจะเอาจิตตัวเนี้พ้นออกไปจากอาสวะที่หมักดองในใจเราที่ทําให้เราเกิดทุกข์ได้อย่างไรมันต้องถูก็ตั้งแต่ชั้นแรกนะองคนก็บอกเอาขั้นพระอาจารย์นี่ สอนเรื่องภาวน า, าทําไมไม่สอนเรื่องศีลเอาภาวน า, ามาเลยเรื่องศีลมาแล้วหมายถึงว่าผู้ภาวน า, าจะต้องปรารถนาดีในการในกุศลธรรมอยู่แล้วไม่ได้คิดละเมิดอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเขาไม่ได้คิดละเมิดมันก็เป็นการตั้งมั่นอยู่ในศีลในตัวของเขาอยู่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องภาวน า, าเลยผู้ภาวน า, ายังจะไปคิดในการละเมิดศีลอยู่มันก็ไม่ใช่ผู้ภาวน า, าแล้วเพราะนั่นหมายถึงว่าไม่ตรถนัดรู้ในข้อปฏิบัติที่เองจะปฏิบัติ พอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจึงไม่พูดถึงเรื่องศีลศีลเราก็รู้อยู่แล้วสิฐาบทมีอะไรบ้างนะโทษในการละเว้นมีอะไรบ้างเราก็ทราบกันอยู่แล้วก็พูดถึงเรื่องการภาวนานการตั้งความเห็นที่ตรงสําคัญคือความเห็นเราไม่ตรงนี่มันมันยากอยู่ตรงนี้นะจริงๆภาวนาเป็นกิจที่ควรทําก่อนอย่างอยู่เลยนะเป็นกิจที่ควรทําก่อนรักษาศีลด้วยเป็นกิจที่ควรทําก่อนให้ทางด้วยเรการภาวนาภาวนาเป็นเรื่องของมรรคนะ มักนี่มันมีชั้นระดับตั้งแต่เบื้องต้นเน่ยไหมระดับพื้นฐานเน่ยไหมเชื่อกรรมเชื่อผลข้องกรรมนี่คือภาวนานะการเชื่อกรรมหรือเชื่อผลข้องกรรมเป็นเรื่องของการภาวนาบางคนไม่ไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการภาวนายังไงภาวนาคือเรื่องนี้แหละไม่ใช่เป็นนำภาวนาไปนั่งภาวนาอย่างนี้ไม่ใช่นะการเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมคือการภาวนาเชื่อว่าความดีมีผลความชั่วมีผลเชื่อว่าบุญคุณมารดาบิดามี เชื่อว่าพระอรหันต์ตรัสรู้สัมภูริเจ้ามีเชื่อว่าอะไรโลกนี้โลกหน้ามีในโกสวรรค์มีเนี่ยคือความเชื่อเป็นเรื่องของการภาวนาเ น, นี่ยถ้ารับภาวนาในข้อ น, นี้เราไม่ได้เนะี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ภาวนาจะเป็นภาวนาที่ไหนก็ไม่ได้ความเชื่อในระดับของกรรมเราไม่มีพอเชื่อก ร, รมเสร็จแล้วปุ๊บก็เชื่อมโยงเข้ามาก็ต้องเชื่อว่าตัวเองต้องขึ้นตัวเอง นี่คือหลักของกภาวนาเราไม่สามารถพึ่งพารอย่างอื่นได้เพราะชีวิตเป็นไปตามกรรมเองเราจึงต้องพึ่งตัวเองหมายถึงว่าเราทํากรรมใดเราต้องรับผลกรรมนั้นด้วยตัวเองเราทํากรรมนี้จะให้คนอื่นรับกรรมของเราก็ไม่ได้เราจะแบ่งกรรมของเราไปให้คนอื่นรับก็ไม่ได้หรือเราจะบรรเทากรรมโดยการฝากกรรมนี้ไว้ให้กับพระผู้เป็นเจ้าก็ได้เราต้องรับกรรมนั้นด้วยตัวเองการที่เราต้องรับกรรมด้วยตัวเองมันจึงเป็นเครื่องเชื่อมโยงระหว่างเรากับศีลว่าอ๋อ เพราะเราจะต้องทํากรรมและรับกรรมด้วยตัวเองศีลจึงมีคุณค่าและมีบทบาทในชีวิตเพ่อเราถ้าเราเราทำชีวิตตามศีลเราก็ได้รับผลของศีลที่เราเคยทําที่เราบาเพ็ญไว้เนี่ยเราก็ได้รับผลนั้นต์มาเข้ามาในชีวิตมันก็แค่นี้หลักการเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่การการะทำไม่ที่ขึ้นอยู่กับการภาวนาทองไทยนี่คือหลักการภาวนาศีลจะเข้ามาเองในภายหลังเมื่อความเห็นปูก ความคิดผูกก็จะเกิดขึ้นสมาวาจากามตาอาชีวะเนีาา่ยมันสีนจะตามมาเองอัตโนมัติไม่ต้องห่วงแล้วสมาธิก็จะตามมาเมื่อสมาธิตามมาความเห็นผุกเห็นเหตุให้เกิดผุกเห็นความกลับไปของผูกเห็นทางพร้อมเห็นทางเห็นการปฏิบัติในความกลับทุกก็จะตามมาเราจึงไม่ให้ชีวิตของเราขึ้นตรงต่อเทพเจ้าองค์ใดหรือพระองค์องค์ใดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดหรืออํานาจเหนือธรรมชาติอย่างใดขึ้นตรงต่อธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ชีวิตเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามหลักของการปฏิบัติเป็นไปตามการที่เราลงมือการทําในสิ่งใดเราก็ได้รับผลของสิ่งนะั้นนี่คือความจริงเหมือนเขาบอกว่ากินอะไรลงไปร่างกายก็เป็นอันนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะกินเผ็ดเข้าไปก็เผ็ดกินร้อนเข้าไปก็ร้อนร่างกายเรากินเย็นเข้าไปก็เย็นมันก็เป็นไปตามที่เรากินความเจ็บป่วยก็เกิดจากการกินนั่นแหละมันเทียบเคียงกั น, นอย่า ง, งนี้นะง่ายๆเกิดจากการกิน เราเราทำกรรมใดๆก็ได้รับผลกรรมนะั้นตามที่ได้าดทานี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงดวงจําไว้ว่าพุทธศาสนาเราคือศาสาานาแห่งความจริงเล้วอ่านฟนะังไม่เสร็จชัดเจนอยู่แต่ต้องฟังใกล้ๆเอ๊ะหมายถึงว่าอันนี้เราไม่ดีหรือเปล่าไม่เราไม่ดีหรือเปล่าน่าจะดีนะ คือข้อถามมันมีมมนะถามกันมาทำไมีแล้วก็นะการตอบปัญหาในโอกาสหนะ้าก็ต้องมีการถามปัญหาเข้ามาในเพจก็จะมาตอบอย่างนี้มีการถามเข้ามาก็จะตอบอย่างนี้ก็จะใช้เวลาในการตอบปัญหาแต่เพียงเท่านี้ดีมาขออนุโมทนาแก่ผู้ที่รับชมรับฟังอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ให้ที่ถรับรับไปสู่การปฏิบัติแล้วคิดให้ดีอะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็ะละทิ้งวางทิ้งเอ แล้วก็งคาสุขความเจริทุกคนทุกคนเ